ขอความสุขความเจริญจะ ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิยาณในวันนี้ก็คงเป็นอุเบกขาบารมีอีกเช่นเคยวันก่อนได้พูดถึงอุเบกขาที่ท่านจำแนกแสดงออกไปเป็นสิบลักษณะก็ได้พูดมาถึงสามลักษณะแต่ว่าแต่ละข้อนั้นพึงเข้าใจว่า มีความเป็นบารมีด้วยกันก็ แ, แตกต่างกันในแง่ของความเข้มข้นเท่านั้นเพราะว่าบารมีในแง่ของการสะสมก็คือการเก็บดีการสะสมความดีในแง่ของหน้าที่ก็คือกระจัดบาปกุศลออกไปจากใจในข้อต่อไปนั้นจะเรียกว่าวิริย เบกขาคือเบกขาในวิริยะความเพียรหรือวิริยะหรือวายามะก็แล้วแต่จะเรียกนะโดยเจนว่าในเอริยะมรก็เรียกว่าวายามะในที่นี้ก็เรียกว่าวิริยะแม้ในโพชฌงก์เองก็เรียกว่าวิริยะวิริยะหรือวีริยะแปลว่ากล้าหาญ มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าวันอุปสรรคอันตรายทั้งหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการเพราะในภาคของสนามมันอยู่ในส่วนของจิตสิกขาแต่ว่าองค์ธรรมแล้วก็เชื่อมโยงกันระหวังศีลสิกขากับจิตสิกขา คือทรงสอนในรูปของการปฏิบัติที่มีความเคลื่อนไหวทางจิตต้งใชก้กำลังให้ปลุกฝังความพอใจใช้ความพยายามมีการกระทําที่ต่อเนื่องกันไปในงานสี่ลักษณะใหญ่ด้วยกันคือในการป้องกันบาปที่ยากไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นในการละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ในการเพิ่มพูนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและในการรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้ววันถ้าพยามไปได้ถึงระดับใดก็ให้ประคองจิตรักษาจิตไว้ในระดับนั้นแล้วก็พยายามต่อไปจนกว่าจะบรรลุผลสมบูรณ์ก็คือภายในจิตนั้นหมดบาปก็หมายความว่ามีความผ่องแผ่ ปรัศจากบาปปราศจากอากุศลต้นตัวผลจริงๆก็คือความผองแผ่แห่งจิตนั่นเองที่ทรงใช้คำว่าสติตะประโยชน์ับประนังการทำจิตให้ผองแผวแต่วันในที่นี้เป็นการมองถึงบาปสองประเภทแล้วก็ความดีสองประเภทหรือบุญสองประเภทประเภทเตย ประเภทแรกที่ยังไม่เกิดก็ป้องกันไว้ประเภทที่สองที่เกิดแล้วก็พยายามลดละประเภทที่สามความดีที่ยังไม่เกิดก็พยายามสร้างขึ้นตามปกติจริงๆพื้นฐานจิตของมนุษย์มันก็มีเชื้อความดีอยู่พอสมควรเปลี่ยนแต่ว่ามักมีไม่ค่อยพอใจเพราะฉะนั้นท่านก็สอนให้ภาวนาคืออบรมกระทําให้มีให้เป็น ขึ้นภายในจิตบางทีก็ทรงใช้คำว่าอบรมกระทาให้มากกระทําบ่อยๆกระทาให้เป็นญาณภานะเป็นเครื่องอาศัยของจิตหมายว่าเป็นหลักของจิตเป็นเรือนของจิตเป็นที่อยู่ของจิตในตรงนี้ที่เรเรียกว่าจิตมีธรรมะเจิตปิดจิตมีเมตตาจิตมีเบคามีกรุณามีขันติมีสัจจะก็แสดงว่าต้องมี แล้วก็ในส่วนที่มีอยู่แล้วนั่นเองก็รักษาเอาไว้ในสถานะเดิมแล้วก็พยายามเพิ่มพูนจนถึงจุดที่มีความสมบูรณ์ตอนความเพียรจึงเป็นเรื่องกลางๆที่พยายามจะควบคุมเพราะว่าหลักการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาไม่ว่าระดับทานศีลภาวนาก็คือจะต้องอยู่ระดับกลาง มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีก็เรียกว่าไม่พอดีคือพอที่ดีหรือดีที่พอคือถ้าเราเทียบเคียงหลักธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเนี่สมมติว่าฝาพัชนะที่เป็นเป็นขวากลี่นโดยเช่นว่าเกลียวนั้นใหญ่ไปนิดเดียวก็ไม่ได้เล็กไปหน่อยเดียวก็ไม่ได้ จะเล็กไปหน่อยเดียวก็หมุนไม่เข้าโตไปหน่อยเดียวก็หมุนแล้วก็รวมคือไม่สามารถจะปิดฝาได้หรือพวกน็อตทั้งหลายเนี่ยนิดเดียวก็ไม่ได้นะคือโตไปนิดเดียวก็ไม่ได้เล็กไปนิดเดียวก็ไม่ได้จะต้องพอดีจึงจะสามารถสําเร็จประโยชน์ไม่ว่าเราจะพูดถึงการปิดฝาพูดถึงขันน็อตพูดถึงเอาไม้มาประกบกันอะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่จุดเดียกวก็พอดี อุเบกขาในที่นี้ก็ที่จริงวิริยะอุเบกขาคื อ, อเบกขาในวิริยะนั่นเองแต่ท่านเอามาสนทิการเรียกวริยุเบกขาคือความเพียรอย่างกลางไม่ยิ่งเกินไปไม่มากเกินไปเราก็ไม่หย่อนเกินไปในการเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยกัวิปัสสนากรรมฐานไอย่างนี้บอกแล้วว่าพวกนี้อยู่ในจิตจติสิกขา คือเป็นกระบวนการในการฝึกจิตจริงความเพียรมันก็ใช้หมดะทั้งศีลสมาธิปัญญาหรือแม้แต่ในเรื่องอื่นแต่ว่าในที่นี้มันก็พูดเรื่องอุเบกขานะคมันก็เน้นไปที่ความเพียรซึ่งใช้ในการเจริญสมถกรรมฐานและก็วิปัสสนากรรมฐานสมถะที่จริงในบาลีจริงๆทาที่พบในพระบาลีพระใจบิดกนะ ผู้เจ้าทรงใช้กรรมสมถธจกักวิปันสนาจากักพระอาจานในรุ่นหลังอาจจะมาเรียกว่ากรรมสมาธกรรมฐ า, านวิปัสนากรรมฐานสมาธญาณิกวิปัสนาญาณิกระมนุปนิชัลละขนมุกนิชัลอะรต่กัเรียกเยอะนะฮะแต่ว่าที่พระเจ้าชายเนี่ยคำง่า ย, ายๆาาเรียกว่าสมาธสมาธแปลว่าสงบถามว่าสงบจากอะไร สงบจากอาการของกิเลสคือจิตที่เหนียวนึกตึกนึกด้วยอำนาจของกิเลสจนเรียกอีกอีกอย่างหนึ่งว่ากุ้มรุมเริ่มหน้าของกิเลสภาษาก็ฟังยากหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเราดูกุ้มรุมแล้วก็ดูคนมันรุมกุ้มรุมต่อสู้กันหรือว่าสุนัข ก, กุ้มรุมฟัดกันเนี่ยมันก็เห็นเป็นภาพคือคนที่ถูกกุ่มรุมนั้นจะสูญเสียการทรงตัว แล้วอาจจะถึงบาทเจ็ดเพราะจิตใจก็เหมือนกันถ้าถูกกิเลสเขากุ้มบุม่มคือภาษาที่ท่านสื่อเนี่ยท่านพยายามให้เรานึกถึงภาพที่เป็นรูปธรรมคือยลอมรทมะนี่เขาเป็นนามธรรมะมนเวลาแปลเวลาอธิบายเนี่ยท่านก็จะพยายามเสือให้เห็นเป็นรูปธรรมไม่ได้ตอนยังเรียกว่าปริยุทธฐานะแปล ว, ว่ากุ้มรวมใจ บังคับใจเนี๋ยวนึกตึกนึกไปตามแรงกุ้มบุมมทำการตามสิ่งที่มากุ้มบนะุ่มเช่นว่าเยี่ยวนึกซึ่งนึกไปถึงสิ่งที่เราใคร่ปรารถนาพอใจอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งสิ่งเหล่านั้นเราอาจจะเคยครอบครองมาแล้วแต่วันผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วเลยไปแล้วก็คิดถึงคุยหาอะไรด้วยความรักใคร่ปรารถนา ที่แยสิ่งเหล่านั้นย้อนกลับขึ้นมาแล้วบางครั้งบางคราวสิ่งนั้นก็เป็นความมุ่งมากปรารถนาที่จะได้ที่จะมีจะเป็นในอนาคตใจมันก็เหนียวไปสู่อนาคตบางทีก็ ก, กำลัดเพลิดเพลิอนอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันลักษณะความคิดเหล่านี้ันสังเกตว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นไปตามวัยของบุคคลอย่างคนแก่ในชอบพูดเรื่องอดีต คนหนุ่มสาวเนี่ยจะใฝ่ฝันเรื่องอนาคตคนกระมังประสบความสาเร็จในภารกิจการงานต่างๆนั้นจะเพลิดเพลินจะสนุกอยู่กับปัจจุบันแต่จิตมันก็วิ่งยิ่งด้วยกันเนี่ยะเหล่านี้เขาเรียกว่านิวรณหรือบางทีเนี่ยนึกด้วยความาคาดพยาบาทเนี่ยนึกด้วยความง่วงงุน ว, ว่าเงาเหานอนซึ่งซึมห ง, งอยเงาหดผูกเคลิบเคิ้มจุดชืดชาเย็นเหนื่อยหน่ายท้อถอยเส่งหมดอะไรตายอยากจนถึงกับอะไรเขาเรียกว่าซึมเศร้าซึมเศร้าจนถึงก็เฉาไปเฉาตายไปก็มีนะฮะอีกอ่หนึ่งก็ตึกนึกแบบยอำนาของความฟุ้งซ่านจะรำคาญตัวเองอาการฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นอาการของโมหะ อาการลำคาเป็นอาการรศอนโทสะแล้วก็เครื่อแคร่งสงสัยไม่แน่ใจตัดสิงใจไม่ได้ปักใจลงไปไม่ได้อาการเหล่านี้จะต้องศึกษาให้สงบทีนี้ถ้าใจมันหนักไปในด้านใดด้านห น, นึน่งอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะว่าการเจริญกรรมฐานนั้นจะต้องประกอบปริสติสัมจัญญาและความเพียรที่นี้ถ้าหากว่าธรรมเหล่านี้เกิดมีปัญหาเพียรมากเกินไป ก็ฟุ้งเพียงน้อยเกินไปก็ง่วงแล้วทีนี้มันยังมีองค์ประกอบอีกเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องอาหารนี่กลายเป็นเรื่องภูเขาเลยนะฮะคือการจเจริญกรรมฐานเนี่ยถ้าอาหารมากเกินไปเนี่ยมันจะง่วงแล้วมันจะไปกระตุ้นการมาราคาับ สุขภาพร่างกายดีหรือให้ให้ให้ใหหลองสังเกตแต่สุขภาพร่างกายเราดีเนี่ยกรรมราคะจะจะมากตามไปทีนี้ถ้าอาหารมันเกิดน้อยขึ้นมาเนี่ยมันจะงุดหิดคือจะกุ ก, กุ จ, จัคืองุดหิตจะรําคาญแล้วในที่สุดก็จะกลายเป็นพยาบาทคือโทสะไม่ได้เรื่องทั้งคู่เลยเพราะฉเราจึงพบว่าเวลาพูดเรื่องกรรมฐ า, านเนี่จะพูดเรื่องอาหารอยู่เลย ตัวอาหารต้องส่งเสริมเขาเรียกอาหารและส ป, ปายะคือจะต้องมีความสะดวกสบายในเรื่องอาหารไม่เป็นอุปสรรคในด้านที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปแล้วก็สามารถที่จะควบคุมอาการกายวาจาของตัวเอง โดยเฉพาะ่ะออยิงย่งคือจิตเนี่ยให้มันสงบอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดระลึกขึ้นเหนียวระลึกไม่ว่าจะเจริญกับบฐานขก็ใดก็ตามยกตัวอย่างเช่นจะเจริญนาปานาสติเนี่ยมันก็ถ้ามากเกินไปในสุดมันก็เครียดมันก็มืนหัวไกลสะกดจิตตัวเองตีนถ้าน้อยเกินไปนก็ ความสงบยังไม่เกิดเราก็เลิกเสร็จแล้วมีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์กระทาอย่างไรจึงบรรข้ามขามพ้นโอคะหวงน้ำคือกิเลสได้แต่ตอนนั้นพระเจ้าตรัสรู้แล้วนะฮะคำตอบมันจะมีเกียงเด็งว่าพระองค์ไม่ ไม่เลยไปไม่ใช่คือไม่พยายามไม่หยุดอยู่ไม่พยายามไม่หยุดอยู่ไม่พยายามก็ข้ามโอกาได้ถ้าหยุดอยู่ก็ไปไม่ถึงทีนี้ถ้าถึงแล้วถ้าพยายามก็เลยตอนนั้นพระเจ้าท่านก็จะรู้แล้วเพราะงั้นตรงนั้นน่ะขนาดนั้นน่ะไม่หยุดไม่พยายามก็ข้ามโอกาได้เพราะถ้าเราพยายามปฏิบัติหย่อนมันก็น้อมก็หาความง่วงงุน ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยที่จริงวิปัสสนากรรมฐานถ้าโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยมันต้องการขาจัดความเห็นที่วิปลาสแต่ว่ามีสามระดับนะเขาเรียกว่าความจําหมายที่วิปลาสความคิดที่วิปลาสความเห็นที่วิปลาสในเรื่องเดียวกันแต่ถ้าระดับความเห็นแล้วผูกกันยาก ทความเข้าใจกันยากถ้าระดับจำหมายมาเนี่ไม่เคยแปลกเท่าไหร่พอธิบายเกิดความเข้าใจได้ง่ายน้นความเข้มข้นในเรื่องเหลอเนี้เอาสังเกตว่าคนบางคนในเห็นอะไรดีหมดเลยแต่นี่เสียนิดเดียวท่านมีทิฏฐิท่านถือรั้นท่านก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไมยอมตายอย่ากระชอีอย่างตัวอย่างท่านสัญชัยเวรัตบุตรอาจารย์ของภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ย ตัวตนเองท่านเชื่อนะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นประโสดาบันแล้วนะฮะมาชวนไปฟ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันในฐานะที่เป็นอาจารย์จะถือว่าเป็นโอกาสทองของชีวิตเกิดเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธเจ้าเนี่ยมันแล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมจะบรรลุธรรมเนี่ยมันสุดยอดชีวิตแล้วอ่ะอย่างเราเองนะเราบุตรบริษั ท, ทเองเราจะเห็นว่าเราก็ไม่เห็นพระองค์ มันก็ทำให้แข่งพอสมควรนะฮะปัจจุบันน่ยยังแข่งกันดูไม่ใช่เล่นแม้แต่ประสู ต, ติสัตว์รุทนิพานก็เถียงกันดูทุกปีน้มีนักปรากเกิดขึ้นเยอะไปอธิบายหมายบางหมาชี้แจงตีสมบัติสมมนโบหานแล้วผลน้าท้ายไม่ได้อะไรฮะเพราะอะไรเพราะว่าใจมันกระด้างใจมันกระด้างใจไม่ อ, อนไม่น้อมไปเพื่อจะ ยอมรับน้ำถือสถานภาพของพระพุทธเจ้าศรัทธาก็ไม่ตั้งมัน่นคืองอนแง่นขรนแคลนไม่ดำรงอยู่มั่นคงเพราะในมิปัสฉนาเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าตามปกติแล้วจิตใจของคนเนี่ยมันจะมองอะไรคลาดเคลื่อนจความเป็นจริงทีการเคลื่อนมากเนี่ยคือกสีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือมองสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยงาม พอรู้สึกประสวยงามก็กำหนัดเพลิดเพลิอนอยากได้แต่สิ่งนั้นเป็นอดีต โ, โหยหาอะไรแต่สิ่งนั้นเป็นปัจจุบันก็กำหนัดเพลิดเพลินแต่สิ่งนั้นเป็นอนาคตก็คอยคว้าปรารถนาใจไม่ส ง, งบเลยไม่ต้องพูดไิปัฒนานะาสมถะยังไปไม่ได้หรือว่าไปมองสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืน กลายเป็นถิงแก้งแท้ยางยืนไม่แปรพันพราสิ่งนั้นไม่เป็นไปอย่างที่ตนคาดหวังก็เดือดร้อนก็ดิ้นรนเพื่อจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนอนแต่เราดูประวัติศาสตร์ของชาติจีนวรรณคดีจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าห้องเต้คนจีนเนี่ยกลัวตายที่สุดเดียวหาบัวหิมะบงังเียวหาสมพันปีสมหมื่นปีบางอะไรตอไเนี่ย เ, เพื่อจะเอามากินให อายุยืนมันก็แสดงว่าท่านเข้าใจว่าตัวท่านสามารถเที่ยงแท้ได้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะยึดติดในความเที่ยงแท้ตรงนั้นแล้วก็จริงเราก็ไม่เจอความเที่ยงแท้จริงแล้วเสร็จแล้วเดือดร้อนเพราะว่าเราอยากให้มันเที่ยงแท้แล้วมันไม่เที่ยงแท้มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันเราไปมองเห็นสิ่ง เ, เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยว่าเป็นสุข พอมันแสดงความจริงออกมาเราก็ต่อต้านเราก็ไม่ยอมรับเอาขนาดสามเรื่องเนี่ยยุ่งจะตายแล้วนะแก่จะตายเนี่ยแก่จะตายยังมีการพลารพาสูญเสียมีทุกข์ประจาําทุกจรก็วุ่นวุ่นไปใจเราไม่ยอมรับตัวทุกปฏิเสธทุกก็วิ่งหนีทุกแต่ว่ามันเหมือนก็วิ่งหนีเงาตัวเองมันวิ่งหนีไม่ได้เพราะทุกข์กับชีวิตมันอันเดียวกัน มันเริ่มมาจากความเกิดความเกิดมันก็เป็นทุกข์แท้ๆเพราะฉะนั้นเอ๊ทั้งหมดมันก็เป็นผลมาจากความทุกข์เป็นอาการของความทุกข์เราปฏิเสธไปเศษก็เดือดร้อนหรือว่าไม่มีตัวตนที่ถาวรยั่งยืนต่างที่เราเข้าใจแต่ว่าใจคนส่วนใหญ่ก็ยึดติดในความทาเที่ยงแท้ ย, ยั่งยืนถาวรไม่แ ป, ปรผันกับปรถนาสถานะอย่างนั้นมีความเชื่อมั่นในสิ่งสูงสุด เรียกว่าพระเจ้าบ้างเรียกว่ายาโคบ้างเรียกายาวะบ้างเรียกว่าพรหมันบ้างเรียกว่าปรมาตมันบ้างก็แล้แต่ก็ถือว่าไม่ตัวตนทิฏฐาวรนี่เรามาจากท่านเราก็กลายเป็นตัวตนทิฏฐาวรเพราะจักจะไม่ทิฏฐาวรขึ้นมาก็เลยไม่ค่อยชอบกบุญแตท่ทีนี้เพราะความรู้สึกอย่างนี้มันก็ทำให้ใจท่านไ่วยคว้ า, าปรารถนาการได้การมีการเป็นก็มีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของเรา สิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นตัวตนของเรากตความเรามันเปลี่ยนแปลงไปสถานะของเราเปลี่ยนแปลงไปไอ้คิดว่าตัว ต, วตวนเอาก็จริงมันชักจะไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เป็นตัวจนจริงๆว่าสั่งอะไรก็ไม่ได้อย่างร่างกายของคนเราเนี่ยเราลองเรียนว่าร่างกายของเราถามว่าพูดกันรู้เรื่องหรือเปล่าในอยู่กันมานานแล้ว คนแปดสิบปีเนี่ยก็แสดงว่าอยู่กับร่างกายมาแปดสิบปีแล้วเคยคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยให้มีเรี่ยวแรงอย่าอ่อนเพลียอะไรเคยสั่งก็ได้บ้างอย่างอกอย่าผมอย่างอกปันยาหักถ้าอย่าพร่ามัวอย่าหิวอะไรแต่ไรเนี่ยมันสั่งอะไรไม่ได้แต่อย่างพูดไม่เคยรู้เรื่องเลยแต่เราก็ยังเป็นของเราเป็นรัวเป็นตดนของเราอย่างเนี้ยคือมันชีวิตเนี่ยไม่ยอมไปชิดหน้าความจริง เพรมีปรัสนาเนี่ยที่จริงแปลว่าเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเดี๋ยวตัวอาการที่ปรากฏแก่จิตเนี่ยเขาเรียกว่ายถาภูตะญาณทัศนะคือรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างในนัตตลกณสูตรก็ดรงใช้คำว่าสมปัญญาคือปัญญาที่เห็นชอบตามความเป็นจริงแต่นี้การเห็นชอบตามความเป็นจริงเนี่ยเห็นยังไงคือว่าเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข เป็นอนัตาแต่ว่าไม่ใช่เห็นด้วยด้วยว่าอย่างนี้คือว่ากิเลสเนี่ยมันต้องลดลงไปอันนี้คือประเด็นที่แตกต่างกันหมายความว่าความรู้สึกเป็นของเราเนี่ยมันต้องลดลงไปเพราะจริงๆไม่ไมีอะไรเป็นของเราของเรามันก็เป็นได้แค่สมมติประเดี๋ยวประดาวชั่วครั้งชั่วคราวเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน้อนอะไรเนี่ย เขาก็จริงก็ไม่เป็นจริงอย่างที่โบรานท่านท่านเตือนเอาไว้นะฮะยศช้างคุณนางพระยศช้างเป็นสมเด็จเจ้าพระยาปราผงสาวดีอย่างเงี้ยก็ช้างอนะี่ยคนท้ายก็กินทางมะพระ้าวกินอ้อยอ่เนี่ยอย่างดีก็อาหารท่านดีก็อ้อยพระ ก, ก็เหมือนกันนะฮะคือเป็นยศเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ผลุท้ายก็บินธบาต มันไม่ได้เป็นจริงเป็นสมมติเอไอ้ตัวตนนี่เริกพูดเลยตัวตนเป็นเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเมื่อปัจจัยให้มันเกิดมันก็เกิดก็คกือขนกแดดออกเนี่ยมันเป็นเรื่องกระบวนการวิพนธนาจึงเป็นการศึกษาเรียนรู้แล้วก็พยายามถ่ายถอนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคำหนึ่งที่ทรงใช้กับว่าให้เห็นไปจักชัดในขณะนั้นนั้น อะไรก็ตามไม่รู้เท่าทันเรื่องความจริงมีกลิ่นเหม็นโชยมาอั้นลมหายใจได้มีคนด่ามาห้ามใจได้ไม่ด่าตอบเดี๋ยวเนี้ประสบกับความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาไม่ต้องดีใจแร้ไม่ต้องเสียใจแล้วไม่ต้องดีใจด้วยนะเพราะเราเองก็เปลี่ยนแปลงคนที่เรารักก็เปลี่ยนแปลงคนที่เรากลวก็เปลี่ยนแปลงไม่ยึดมัน่นหรือมัน่นนอะไรมากเกินไป แต่ก็มีปัญญารู้เท่าทันและในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่สัมผัสเหล่านั้นได้ประคองจิตอยู่ด้วยความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องในเรื่องเหล่านั้นไม่ว่าจะจะอะไรก็ตามคือหาความสงบหาความรู้ให้แก่จิตใจเป็นการใช้ชีวิตที่เรียกว่าเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาหรือว่ามีปัญญาในการบริหารชีวิตหรือปัญญาในการบริหารตน ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่ทรงเรียกว่าปริหาระปัญญาบ้างนีเบธิกะปัญญาบ้างหรือว่าที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามีวิปัสสนาปัญญาอยู่ภายในใจรู้เท่าทันถึงความจริงที่ตนสัมผัสแล้วปฏิบัติตนไม่ให้ความทุกข์มาแผวผ่านชีวิตจิตใจของตนเองได้ แม่จะไม่เป็นวิปัสนาที่สมบูรณ์ถาวรแต่ถ้าทำได้บางก็ลดหย่อนความเลวร้ายต่างๆลงไปได้มากต้องฟังทั้หลายแต่รูปมาโพธยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วเวลาเป็นตบบนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงกงามไปบนนูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี